วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งเป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนสี่ปีพศ48พวกเราปฏิบัติธรรมมาถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นเวลานมนานขอขอให้พวกเราทบทวนดูการกระทาของเราเมื่อเราทบทวนดู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 ทำให้เราร่มจมจิบหายหรือว่าไม่ได้รับความสุขทางด้านจิตใจเป็นที่ตำหนิตีเตียนของคนทั้งหลายหรือว่าเสื่อมราบยศสนเสริญสุขหรือเราปฏิบัติทำมาเป็นระยะเวลายาวนานเราได้คิดดู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 ได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าหาว่าการกระทำสิ่งใดก็าตามไม่ไม่มีการทบทวนไม่มีการไตรตรองว่าจะเดินไปข้างหน้าและผลข้างหลังเป็นยังไงล้วจะเดินไปข้างหน้าเป็นอย่างไรไม่มีอดีตอนาคตเราไม่ได้ทบทวนอะไรมีตต่ทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คิดผลกำไรขาดทุนกำไรเราไม่ได้คิด อันนี้ถ้าแบบทางโลกเขาเขาก็ว่าไม่มีบัญชีขาดทุนกำไรเพราะนั้นการทำมาค้าขายสิ่งใดก็าตามเขาจะต้องคิดว่าที่ผ่านมาไปยังไงและมาถึงปัจจุบันจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรควรจะปล่อยวางตัวไหนควรจะพิจารณาอะไรควรจะจับตัวไหน เป็นตัวนำหน้าหรือเป็นตัวกาไรพ่อค้าพ่อขายเขาเขาก็ต้องได้คิดเพราะนั้นพวกเราปฏิบัติทมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นปฏิบัติมานมนานการปฏิบัติเรายึดกรรมฐานไหนเป็นหลักหรือว่าคนนั้นบอกว่ากรรมฐานนั้นดีก็กระโดดไปตามเขา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 เขาว่าอย่างนี้เราก็ทําอยู่ตลอดอันนี้ก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเราต้องดูผลถ้าเราปฏิบัติดูแล้วมันผลไม่งอกเงยหรือผลไม่เป็นที่พอใจเราก็ควรจะเปลี่ยนกรรมาฐานเพราะกรรมาฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ทั้งสี่สิบอย่างอันนี้คือบทบริกรรมอันนี้พอประมาณถ้าเราจะทําให้ปีกหยิกย่อยไปอีกก็มีต่าเยอะแยะ ที่จะทำหลอกล่อให้จิตเข้าสู่ความสงบการทบทวนพิจารณาทางด้านปัญญาตรอมจิตใจเข้าสู่ความสงบมีหลายๆวิธีอยากหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำลูกศิษย์ลูกหาของท่านท่านว่าให้ภาวนาพุทโธอันนี้ก็คือกรรมฐานหนึ่งที่ให้ยึดหลักพุทโธเป็นหลักแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้ทม ที่โคลนต้นโพท่านก็กําหนดเพียงลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือกรรมกรรมฐานของพระพุทธเจา้าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจหายใจออกยาวชั้นให้มีสติในลมหายใจเข้าออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจา้าแต่พอต่อมาหลวงปู่ท่านว่ากําหนดลมเฉย มันสั้นไปท่านก็เลยเอาพุทโทเข้าไปอีกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้คือกรรมฐานขององค์หลวงปู่กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักถ้ามากกว่านั้นท่านจะพิจารณาอะไรตัวเราจะพิจารณาอะไรมีหลายๆวิธีคือกรรมฐานที่จะพยายามจับจิตให้สงบ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 หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือหายใจเข้าธัรมโมหายใจออกธรรมโมหายใจเข้าสังโคหายใจออกสังโคตอน่านี้เป็นตนในบอกพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติสีลานุสติและลึกถึงศีลของตนที่เราได้รักษาศีลตลอดทั้งวันวันนี้เราไม่ได้ทำสิ่งไหนผิดขาดตัวปวกพ่อง เมื่อร ะ, ะลึกถึงศีลของตัวเองไม่ขาดตกบกพร่องใจของเราก็ได้รับความผ่องใสนึกรับความปีติยินดีว่าเร า, เ ร, ารักษาศีลวันนี้ไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อเราระลึกถึงศีลของเราอยู่กายของเราก็ใจของเราก็ชดชื่นแจ่มใสเพราะเราไม่ได้ทำสิ่งที่มันผิด เราจะกำหนดลมหายใจเข้าหายจะออกอแล้วลึกถึงศีลทบทวนของศีลตัวเองอยู่อันนี้ก็เป็นเครื่องบริกรรมข้อหนึ่งศีลานุสติจาคานุสติแล้วลึกทานถึงทานเราลึกถึงการบริจาคทานของเราเราได้เสียสละเราให้อภัยทานเรายอมทาบุญทำทานมาตั้งนมนานเราลึกถึงการทำทานของเราให้แก่บิดามารดาให้แก่วงศานาญาิ ทำบุญทำทานกับพระสงค์องค์ข้าเจ้าทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียสละในการให้อาภัยทานเราไม่โกรธถือโทษโกรธเคืองให้แก่ใครสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการให้เป็นการทานให้อาภัยทานเสียสละในการทําทานแต่ว่าจาคานุสติการเสียสละเทวดานุสติะระลึกถึงคุณผู้ที่จะไปสู่เป็นเทวดา ผู้ที่จะได้รับคุณงามความดีในเมืองมนุษย์เขาทําคุณงามกับความดีอย่างไรอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่พวกเรากลา่าวไหวสักระปูชาท่านทําตัวอย่างไงท่านปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้ก็ระลึลกถึงพระคุณของท่านที่ได้ท่านในอบรมแนะนําสั่งสอนพวกเราหรือคุณที่ผู้ที่จะไปเป็นเทวดาสูงส่งขึ้นไปตามลําดับจนเกิดภพนาชาติหนาท่านทําคุณงามความดีอย่างไร สิ่งเรานี่ห่อเทวตานุสติแลวก็มรณะนุสติและลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่ต้องวันไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งไม่เวลาใดก็ต้องเวลานึงแน่นอนไม่มีใครหลีกลี่หนีพ้นไปได้อันนี้ก็คือมรณะนุสติและลึกถึงความตายที่จะมาถึงตน อุปจมานุตติละลึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นที่ระงับกิเลสและกองทุกผู้เข้าสูน่นิพพานแล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตาการแปลว่าทิ้งปล่อยวางละทิ้งทั้งหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงทางกายทั้งวาจาทางใจทำใจแหว่าง ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็คืออุปจมามุสติระลึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่แหละอนุสติสิบจากนั้นก็กสินสิบอันนี้พระพุทธเจ้าท่านวางไว้จำรับให้พวกเราประพฤติธปฏิบัติละวักกรรมฐานสี่สบอย่างเพราะนั้นเราจะยึดกรรมฐานไหนเข้ามาบริกรรม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 กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าถึงท้องหายใจแรงๆถึงท้องยบพองยบอะไรในลักษณะอย่างนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเป็นเครื่องบริกรรมเป็นเครื่องกำหนดรู้ให้จิตเข้าสู่ความสงบคือให้จิตอยู่กับตัวเองถ่าจะว่าไปเข้าขายลักษณะสติปัฏฐานสี่ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานกำหนดกายเป็นศูนย์กลางและเป็นหลักให้พวกเรามีสติกำหนดรู้ในกายไม่หส่งกิจไปที่อื่นอันนี้ก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานแต่มากกว่านั้นเราจะพิจารณาร่างกายของเรา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 เราเอาจิตจับอยู่ตรงนั้นจ่ออยู่ตรงนั้นกำหนดอยู่ตรงนั้นกระดูกชิ้นนั้นไม่ให้ขยับขยื่อนไปที่อื่นให้ดูจะว่าเพ่งก็ใช่จะว่ากำหนดให้รู้อยู่ก็ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะทาจิตให้สงบได้อันนี้แล้วว่าใช้ปัญญาพิจารณากำหนดรู้ก่อนแล้วก็ให้มาอยู่จุดใดจุดหนึ่งจนจิตเข้าสู่ความสงบ อันนี้หลวงตามหาบัวท่านว่าใช้ปัญญาอบรมสมาธิใช้ปัญญาพราะมันจิตใจมันชอบคิดปุงฟุ้งออกไปข้างนอกเอาอยัางไงมันก็ไม่อยู่ให้มันอยู่ในกายยนกรให้มันอยู่ในกระดูกในร่างกายเนี่ยให้มันอยู่ในเนี้ยกําหนดให้อยู่ในนี้ตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าจนถึงนิ้วเท้าจากรไล่จากนิ้วเท้าขึ้นมากระดูกฝ่าเท้ากระดูกข้อเท้ากระดูกแข่งกระดูกหัวเข่ากระดูกขา ไล่ขึ้นมากระดูกเชิงการกระดูกบั้นเอวก็ไล่ขึ้นมากระดูกสันหลังกระดูกชี้คงไล่ขึ้นมาจนถึงกระโหลกศีรษะไล่ลงไปอีก่พูดดูช้าๆดูด้วยความตั้งใจดูด้วยสติเมื่อเราเห็นกระดูกท่อนไหนที่ชัดเจนเราก็กำหนดดูกระดูกชิ้นนั้นไม่ให้ขยับไปที่อื่นเมื่อจิตอยู่ในจุด เดียวจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้จิตเป็นหนึ่งได้อันนี้ท่าวบอปัญญาอบรมสมาธิหรือเราจะพิจารณาเกษาโลมาณขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังหรือจะไล่ไปถึงเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับอังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในอาการสามสิบสองของร่างกายเราจะพิจารณา แยกส่วนแบ่งส่วนหรือว่าแยกออกไปเป็นส่วนส่วนกองไว้กับพื้นดินหรือเราจะรู้ในร่างกายของเราว่าอยู่ในสภาพเช่นไรที่เรานั่งอยู่อย่างนี้ผมมันอยู่ในสันฐานไหนลักษณะไหนขนอยู่ลักษณะไห น, น, น, น, ไหนเล็บอยู่ในตาไหนฟันอยู่ในตาไหนหนังหุ้มห่ออยู่อย่างไรอย่างนี้เนื้ออยู่อย่างไงกระดูกอยู่อย่างไองตับเป็นไง ปอดไปยังไงไตไปยังไงลำไส้ไปยังไงดีไปยังไงคือเราดูดูดูเป็นอันอนไปจากนั้นเราเห็นชัดในความรู้สึกของเราเราก็เอาสติจับอยู่ตรงนั้นเมื่อเราเห็นหัวใจของเราผุดฟา้าผุดฟา้าเราเอาสติจับอยู่ที่หัวใจดูหัวใจ Bean. มนันเต้นผุดฟา้าผุดฟากุดฟ้าเอาสติจับอยู่ตรงนั้นไม่ให้ไปที่อื่น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 เราจับใจไม่อยู่พอกาหนดดูไม่รู้หายไปไหนพอมาลั่วรั่วาหายไปเอาดึงกลับคืนมากำหนดแล้วก็หายไปอีกอันนี้คือจิตใจของเราไม่อยู่กับตัวกรรมาฐานควบคุมไม่อยู่แต่ว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความพยายามอยู่เราก็จะพยายามกำหนดดูใจของเราเอาสติจับ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 แต่ไม่ส่งจิตไปตามเสียงนั้นแต่เป็นเสียงอะไรก็ตามก็สุวรู้ว่าเสียงรับรู้ว่าเสียงยังได้ยินเสียงอยู่แต่แเราก็หลับตานะเราหลับตาเราได้ยินเสียงแต่ไม่ได้ส่งไปสังตามเสียงว่าจิตมีแต่ว่ารู้ว่าเสียงแล้วก็จบอันนี้จิตประเภทอย่างนี้เราอุปจาระจะกําหนดพิจารณา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 ควบคุมใจของเราได้แล้วนั่นแหละพิจารณาอันไหนเป็นชิ้นเป็นอนเพราะนันเรื่องภาวนาเรื่องสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งในภาคปฏิบัติจากนั้นเมื่อพิจารณากำหนดดูเห็นตามความจริงเห็นตามความเป็นจริงจิตใจมันไม่ปูงฟุง้งใครเขาว่ามันเหนื่อยหรือว่ามันจะเข้าสู่ความสงบ มากกว่านั้นมันก็ลงดิ่งลงไปอีกแต่เมื่อมันดิ่งลงไปถึงจุดนั้นจะพิจารณาไม่ได้ทีนี้เดีวยวว่าถึงขั้นนั้น ว, ว่าขั้นอัปปนาสมาธิจิตเข้าสู่ความสงบสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นเราไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ใ น, ในสถานที่ใดเรายืนในในสถานที่ใดเราไม่รู้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 แต่โดยมากผู้ปฏิบัติทั้งหลายนานๆจะได้ชิมรสอัปปัญนาสมาธิแต่อับปัญนาสมาธินี้เป็นรสที่มีความสุขจริงเข้าทํานองที่ว่านักถี่สันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถึงจะว่าสงบมีกิเลสยังมีความสงบหรือว่าความสงบของพระหรัน ด้วยความสงบของปุตุชนถึงยังไงก็ยังมีความสุขถึงจะเป็นปุตุชนก็ยังมีความสุขในระดับของปุตุชนไม่ต้องพูดถึงความสงบของพระอริยะเจ้าอรหันต์ทั้งหลายอันนี้คือจิตสงบพูดถึงผู้ปฏิบัติถึงยังไงเรื่องสมาธิแล้วไม่เกินกว่านี้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 ใจของเราเอาไม่อยู่ใจของเราชอบคิดจะ ก, กําหนดลมหายใจเข้าออกมันไม่อยู่เราก็ต้องนํามาพิจารณาอย่างที่ได้เรียนว่าพิญนากรดูกหรือพิรณากรรมรฐานต่างๆคือตรอมจิตเพราะมันเอาไม่อยู่ถ้าว่าจะ ก, กําหนดเนี่ยมันจะแว บ, บไปแวบบมาแวบบมาแวบบไปอันนี้เราต้องใช้กรรมฐานตรอมหรือให้มันคิด แต่ให้มันอยู่ในกายยนครห์ไม่ให้มันอยู่ออกไปทางอื่นคือบังคับด้วยสติเอาสติบังคับให้มันอยู่กับกายส่วนใดส่วนหนึ่งหึกจุดใดจุดหนึ่งหรือทั้งหมดของร่างกายไล่ไปเรื่อยแต่ให้มันอยู่ในกายนี้อันนี้ก็คือขณะที่เรานั่งแต่บางครั้งเมื่อเรานั่งขณะนั้นเวลานั้นช่วงนั้นจิตของเราขี้เกียจคิดมันนิ่งนิ่งมันชอบ อยู่ๆนิ่งๆจากนั้นเราก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเลยกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก อ, อันนี้มันจะลงเข้าสู่ความสงบได้ในระดับหนึ่งในเมื่อเราพิจารณาหรือว่าเรากำหนดภาวนาอย่างนี้แล้วกิจเข้าสู่ความสงบได้ถึงขั้นอุปจาระแล้วเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเลยทีนี้ เ, เมื่อมันไม่หิวโหยแล้วก็บังคับไม่ให้มันอยู่แหละท่นี่บังคับให้ออกบังคับให้พิจารณาบังคับให้ใจทำงานบางังบังคับให้ใจคิดถ้ามันอยู่เฉยเฉยไม่ได้มันเหมือนกับเราขี้เกียจทำงานเข้าไปอยู่เฉยเฉยถ้ามันเป็นมากๆบ่อยๆขณะติดสมาธิติดในสมาธิติดในความสงบ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมแนะนาสั่งสอนให้พิจารณาในการพิจารณาถ้าพิจารณาจนหาความสงบไปไหนปุงฟุ้งจนเกินไปก็บังคับให้มันกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันคิดมากให้มันอยู่กับตัวเองอย่าให้มันปุงอย่าให้มันฟุ้งอย่าให้มันคิด พุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มันนิ่งกำหนดอยู่จะให้มันปุงไปทางอื่นอันนี้คือเวลามันออกแต่ประนี้พอจิตสงบอ้าวให้มันคิดสรุปแล้วก็คือการปฏิบัติเนี่ยทางสมาธิและปัญญามันต้องไปด้วยกันเราจะพิจารณาว่าปัญญา การทำงานเท่านั้นจึงจะเกิดประโยชน์จึงจะเป็นเงินเป็นคำรัย์สมบัติขึ้นมาการพักผ่อนนอนหลับเสียเวลาคนที่ทำอย่างนั้นอีกไม่นานเนี่ยจอดเหมือนกันมันจะไปกี่น้ำเมื่อไม่ได้กินไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนหลับผลที่สุดก็หลหรอเรือน่างเออเพอเพอ จับกระดาษก็ว่าเป็นเงินเป็นทองไปละบ้านจับไปไม้ก็ว่าเป็นเงินเป็นทองไปละเพราะมันเบอร์เพราะมันไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนการภาวนากนลักษณะอย่างนี้เหมือนกันเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสาคัญเราจะมองข้ามไม่ได้สมาธิทำจิตให้สงบเป็นพื้นฐาน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 ภาวนาคือทำจิตให้สงบซะก่อนแลนำมาพิจารณาอันนี้ปัญญาของพระพุทธศาสนาสุตธมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างพวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอย่างนี้ก็เกิดปัญญาเหมอนกันแต่ว่าเป็นปัญญาว่าได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากเทปจากหนังสือจากท่านผู้รู้ต่าง อธิบายให้ฟังเข้าใจเรียกว่าสุตมยะปัญญากินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการเมื่อได้ยินได้ฟังแนละ้วจินตนาการทบทวนไข่กลวนไตร่ตรองเหตุและผลที่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาก็เกิดปัญญาอันนี้ว่าจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตให้สงบ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 แต่ก่อนเราอยู่กับร่างกายของเราเราไม่ได้พิจารณาแต่ปัจจบันนี้เมื่อเราพิจารณาเห็นร่างกายของเราโอ้โ oh, หทําไมร่างกายของเราอยู่อย่างนี้แต่ก่อนเราทําไมไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ดูเราจะมีแต่ดูข้างนอกดูไปทางอื่นแต่ปับันนี้เราเห็นร่างกายของเราเห็นชัดเจนในความรู้สึกด้วยปัญญาเพราะนั้นเมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้ว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 สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทบทวนการทามาหาเลี้ยงชีพการการทำมาค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ยังมีการทบทวนแต่การประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ทบทวนมันก็คงจะไม่ถูกต้องเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะได้ยินที่หลวงพ่อได้อธิบายมาคิดว่าอธิบายไม่ผิดแน่ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติ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 เราไม่ต้องคิดทั้งนั้นล่ละจะเป็นอัปปนาอุปจาระอะไรก็ได้ข้อสำคัญเรารักษาเหตุให้เพียงพอผลมันจะเกิดมาอย่างไรเราก็พอใจอย่างนั้นหละเราไม่ต้องคิดถึงคาดผลเราต้องทำเหตุให้เพียงพอผลมันจะเกิดมาเองเหมือนกับคนขี้เกียจอ่านหนังสือเรียนหนังสือขี้เกียจคิดขี้เกียจไปเรียนหนังสือมีแต่คาดผลต้องการปริญญาเอกมันจะได้เลย มันเป็นไปไม่ได้มันต้องทำต้องทาเหตุให้พอทำเหตุให้เป็นไปถ้าทำเหตุดีแล้วผลมันจะตอบสนองเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลศีลเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีสำหรับคราวาสญาติยาโยมก็คือทานะนะคือการทำทานทานศีลภาวนา สำหรับพระเข้ามาในวงขั่งในกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นหลักแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาสำหรับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกากว่าทานศีลภาวนาสำหรับให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติให้สม่าเสมอบำเพ็ญไปเรื่อยๆน่ะ ชีวิตของพวกเราเดี๋ยวนี้เท่าไหร่นับคอมือดูสิแล้วจะอยู่นานไปอีกเท่าไหร่อย่างหลวงพ่อเนี่ยก็หกสิบป้วนะปีนี่นะกเกษียณแล้วนะถ้าอยู่อีกสิบปีกเจ็ดสิบจะถึงหรือเปล่าสิบปีมันไม่นานนะผัอพับผับผับผับผับผ่ า, าผั า, าผัาผัาผปบผผ่านไปผผัผับผับผับผับผับผับผับผับผั ถึงน้าทะเลเมื่อไหร่กับเมื่อนั้นละ่ะชีวิตของเราเฮื่อสุดท้ายขึ้นมาเมื่อไรหรเฮื่อสุดท้ายลมหายใจเฮื่อสุดท้ายเมื่อไหรใจขาดเมื่อไหร่เราทำคุณงามความดีมากน้อยอย่างไรแค่ไหนได้ผลกำไรขาดทุนอย่างไรนั่นละ่ะวันนั้นละ่ะครั้งนั้นละ่ะ จะเป็นผู้ตัดสินทางพวกเราไม่ได้ใส่ใจเขาพวกเราไม่ได้ภาวนาไม่ได้รักษาศีลภาวนาขาดทุนได้นะทำอะไรขาดทุนศูนย์พับได้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นตุกกงตุ ก, กแก่ร้องเอ๊ะเอ๊ะอักกัเกเกเกเนเป็นกระรอกกระแตเป็นลิงข้างบางเชนีเป็นหมูหมากาไกา่เป็นได้ทั้งนั้นแหละไกจของเราเนี่ย ปฏิสนธิได้สูงสู ง, สงต่ำๆลุ่มๆุมดอนๆอนไปเป็นเปรตตกนรกอเวจีได้ทั้งนั้นถ้าทำความชั่วแต่ทำคุณงามความดีกับจิตใจก็จะสูงส่งขึ้นเรื่อยๆเกิดพพหน้าชาติหน้าก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีร่างกายจิตใจปกติแต่ถ้าเรามีบาปมีกรรมกับเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์อีก หูหนวกตาบอดบาใบเสียจิตอย่างที่พวกเราเห็นนั่นเป็นมนุษย์ก็ไม่เหมือนมนุษย์ขาดตกบกพ่องพราะเหตุไรเพราะกรรมเก่าให้ผลเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลไว้ให้มากจะไม่ได้เสียท่าเสียทีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในบาเพ็ญทานศีลภาวนานะต่อนี้ไปก็ นั่งภาวนาเลยนะที่นี่นะกำหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วนะที่นี่นะ